มีใครอยากจะถามอะไรไหมอ๋อมีเลยก็ยากถามมาะ็ตามคาสอนของพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนอาหารมีหลายชนิดด้วยกันถ้าถ้าเราไปร้านอาหารเรามักจะสั่งอาหารที่เราชอบรับประทานกันเนี่ยที่นี่ก็เป็นเหมือนานอาหาร อยากจะฟังทําแบบไหนก็ต้องถามถ้าไม่ถามเดี๋ยวเขาเอาอาหารมาให้กินไม่ถูกปากอย่าว่าคนเสิร์ฟไม่ได้นะในร้านอาหารถ้าบอกว่าเอาอะไรมาก็ได้เดี๋ยวเขาก็เอาตามที่เขาอยากเอามาให้ให้แล้วเดี๋ยวกินแล้วไม่อร่อยก็จะไปโทษร้านอาหารว่าไม่อร่อยเพราะมันไม่ถูกปากเรา การฟังธรรมมันก็ฟังได้สองแบบฟังแบบสั่งต้องการฟังธรรมช่นที่ไหนก็ถามบอกหรือว่าถ้าไม่เช่นั้นก็แล้วแต่คนขายจะเอามาให้ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นี้คนมามากก็อะไรบากจะไม่มีสั่งก็ ทำอาหารเตรียมไว้แล้วเพราะถ้าสั่งมันจะทำไม่ทันคนเยอะมีหลายคนสั่งหลายอย่างทำไม่ทันก็เลยทำอย่างเดียวให้กินกันครบถ้วนเหมือนกันหมดวเวลาเราไปงานเลี้ยงเราไปสั่งไม่ได้ะเจ้าภาพก็จัดอาหารไว้ให้เรากินนั้นบางทีก็เป็นโต๊ะจีนบางทีก็เป็นบุฟเฟ ธรรมะก็เป็นเหมือนอาหารอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจให้จิตใจมีความอิ่มน้ำสำาําราญมีความอิ่มมีความสุขมีความพอไม่หิวโหยทุกวันในี้ใจของพวเราขาดธรรมะกันทําไมถึงขาดธรรมะเพราะหิวโหยกันเพราะมีความโลภความอยากกันความโลภความอยากนี่เป็นความหิวโหยของใจ ทำไมต้องมีนั่นต้องมีนี่ถึงจะมีความสุขก็เหมือนกับร่างกายต้องกินนู่นกินนี่ถึงจะอิ่มใจเราก็เหมือนกันตอนนี้ใจเราไม่อิ่มเพราะเราอยากได้ลาบบ้างอยากได้ยศบ้างอยากได้สรรเสริญบ้างอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายบ้างแต่อาหารที่เราอยากได้นี้มันไม่ได้ทาให้ใจเราอิ่ม มันไม่ได้เป็นอาหารมันเป็นยาเสพติดอยาเสพติดนี่เสพเท่าไหร่พอไหมยิ่มไหมสุราเนี่ยดื่มไปแล้วขวดเดียวแล้วเลิกดื่มได้ไหนะดื่มแล้วก็ต้องดื่มไปเรื่อยเรืยเบอรรี่สูบแล้วก็ต้องสูบไปเรื่อยเรืยกาแฟดื่มแล้วก็ต้องดื่มไปเรื่อยเรื่อ อะไรที่เร า, เ อ, าอยากรับประทานหรืออยากทำเนี่ยพอททำแล้วมันก็จะทำให้เราต้อ ง, งทำไปเรื่อยๆ อ, อยากได้เงินทองเนี่ยกิยพอหรือยังเกิยอิ่มหรือยังอยากได้ยศนี่พอหรือยังในชั้นนี้ในคันนี้แล้วพอหรือยัง อ, อยากได้ ส, สรัพย์สิญพอหรือยัง เขาสรรเสริญเรามามากน้อยเพียงไรพอหรือยงังอยากได้ความสุขทางตางหูจะบูกลิ้นกายได้ดูได้ฟังได้สัมผัสดิ้มรสนมกลิ่นอะไรมามากมายแล้วพอหรือยงังไม่พอเพราะของพวกนี้มันไม่ได้เป็นอาหารของใจมันเป็นยาเสพติดของใจทําให้ใจติด ต้องมาเสพมันอยู่เรื่อยๆต้องหามันอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะมีมากเท่าไหร่ก็ไม่พอเงินทองอยากจะได้เท่าไหร่ถามเลยเอากี่ล้านถึงจะพอไม่พออยู่ะได้กี่ล้านก็ไม่พออยู่นั่นะน่ะมันถึงไม่ได้เป็นอาหารถ้าเป็นอาหารกินแล้วมันก็ต้องอิก ได้มาปา๊มันก็ต้องพอแล้วได้แค่นี้พอแล้วไม่อยากจะได้มากกว่า น, นี้แล้วทั้งเรื่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นอาหารแต่ใจของเราไม่มีไม่มีคําสอนไม่มีคนสอนให้บอกเราให้รู้ว่าอะไรเป็นอาหารของใจเราก็ไปเลยลงคิดว่าลาบยศ ส, ส, สัลเสริญลูบเสียงกลิ่นรส ต่างๆเป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขกันให้มีความสุขใจอิ่ใจพอใจสบายใจแต่แทนที่จะพอใจก็ไม่พอและแทนที่จะสุขก็สุขเดนียวเดียวเพราะเวลาที่สิ่งที่เราได้มาจากเราไปก็เสียใจทุกใจขึ้นมาเองขณะที่อยู่กับเราเราก็กังวลเอง กังวลว่าจะจากเมื่อไหร่ยังไม่ทันจากเพีแต่คิดว่าอาจจะต้องมีการจากกันเช่นมาทํางานที่นี่เดี๋ยวก็ไม่รู้จะต้องย้ายไปเมื่อไหร่ถ้าไม่อยากย้ายเวลา ย, ย้ายก็โทุกอีกนี่คืออาหารที่พวกเราคิดว่าเป็นอาหารที่เราหากันอยู่กันทุกคน หาลาภยศสารเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่หาได้มาเท่าไหร่ก็ไม่มีไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอแล้วก็ความสุขที่ได้ก็ได้ชั่วคราวเวลาได้มาใหม่ๆก็ดีอกดีใจพอได้มาแล้วก็ต้องมากังวลกับสิ่งที่เราได้ต้องมาคอยดูแลรักษา แลเวลาที่เขาจากเราไปหรือเราต้องจากเขาไปเราก็เสีย อ, อกเสียใจสรุปแล้วก็คือเรากําลังหาความทุกข์มาใส่ใจเรากันไม่ได้หาความสุขหาความหิวความอยากมาใส่ใจไม่ได้หาความอิ่มความพอมาใส่ใจนี่คือการหา อาหารของพวกเราหาความสุขหาความอิ่มให้กับพวกเราแต่หาเท่าไหร่ก็แทนที่จะสุขกับทุกข์กันทุกข์กับลาบยศสารเสศเวลาหาเงินมาไม่พอใช้ก็ทุกข์เวลาได้ตำแหน่งมาใหม่ๆก็ดีใจพอสักระยะหนึ่งพอมันชินกับตำแหน่งนี้แล้วมันก็ อยากจะขึ้นไปอีกขั้นหนึ้งขั้นนี้ก็ไม่มีความหมายอะไรแล้วไม่มีความสุขเหมือนกับตอนที่ได้รับใหม่ๆตอนนี้อยากจะได้อีกขั้นหนึ่งสูงขึ้นไปได้เงินมาเท่าไหร่ตอนต้นได้ล้านหนึ่งก็ดีใจอได้ล้านหนึ่งแล้วทีนี้ก็อยากจะได้สิบล้านแนละ้วมี่ ดังสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นอาหารของใจเป็นยาเสพติดของใจสิ่งที่เป็นอาหารของใจก็คือสิ่งที่พรธเจ้าทรงสอนให้หากันทรงสอนให้หาบุญกันบุญนี้เป็นอาหารของใจถ้าได้บุญแล้วใจจะมีความสุขมีความอิ่มมีความพอนี้บุญก็มีหลาย หลายระดับระดับง่ายระดับยากระดับง่ายก็ได้น้อยหน่อยระดับยากก็ได้มากหน่อยแล้วเราก็ต้องไต่เต้าไปจากขั้นง่ายไปสู่ขั้นยากขั้นง่ายที่สุดก็คือการทำทานการเสียสละแบ่งปันสิ่งของเข้าของเงินทอง อะไรที่เรามีเหลือกินเหลือใชเอ้เก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ตายไปก็เอาไปไม่ไดอ้อันนี้ก็เอาไปทำบุญกันเอาไปช่วยเหลือผู้เขาตกทุกข์ได้ยากเกิดร้อนไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นโยมก็ได้บุญเหมือนกันทำแล้วจะได้ความสุขใจความอิ่มใจ สมมเรามีเงินก้อนหนึ่งเราจะไปเที่ยวหรือเราจะเอาไปทำบุญผลไม่เหมือนกันจากการใช้เงินเสียเงินก้อนนี้ไปถ้าไปเที่ยวก็ได้ความสุขในขณะที่เที่ยวพอกลับมาบ้านก็เหงาเหมือนเดิมอยากจะออกไปเที่ยวอีกแต่ถ้าเราเอาเงินไปทำบุญเราก็มีความสุขใจ อิ่มใจสบายใจกลับมาบ้านความสุขใจอิ่มใจก็ยังมีอยู่เพราะไม่มีความอยากไปเที่ยวการเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้เอามาทำบุญมันจะช่วยตัดความอยากไปเที่ยวให้มันน้อยลงไปหรือาไปใช้อย่างอื่นเช่นไปซื้อเสื้อผ้าที่เรามีเยอะแยะแล้วซื้อกระเป๋าที่เรามีอยู่หลายใบแล้ว เราเอาไปทำบุญแทนมันก็จะทำให้เราไม่ได้มีเราก็จะตัดความอยากซื้อกระเปา๋าซื้อเสื้อผ้าได้ทาให้เราเวลาไม่มีเงินจะซื้อเราก็ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์เวลาไม่มีเงินเที่ยวเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่มีความอยากาเที่ยวเพราะเราตัดความอยากเที่ยวด้วยการเอาเงินที่จะไปเที่ยวมาทาบุญแทน น, นเป็นการสร้างความสุขใจอิ่งใจให้กับเราแลเป็นการสร้างความดีให้กับตัวเราทำให้เราเป็นคนดีเป็นคนน่ารักไปไหนก็มีแต่คนเขาอยากจะต้อนรับคนที่ทำบุญนี้ไปไหนคนที่แจกเงนินนี้ไปไหนก็มีแต่คนยินดีเราเองินไปแจกดูเลยเดินไป แถวสิแถวตลาดแล้วเงินไปแจกดนะูเดี๋ยวคนก็เดินตามกันคนที่ไปขอเงินนี่เขาก็หันหลังให้เราทั้งนั้นไปเรียลลัยไปขอเงินจากที่นั่นที่นี่เขาก็ปิดประตูบ้านเห็นเราเดินมาเขาก็ปิดบ้านนะไม่ต้อนรับแต่ถ้าเราเอาเงินมาแจากนี่เขาเรีบเปิดประตูบ้านต้อนรับเราใหญ่คนทำบุญคนใจบุญนี้จะเป็นคนที่น่ารัก จะมีคนรักคนทำบุญ ม, มีความเมตตาความเมตตก็คือเป็นคนที่มีไมตรีจิตมีความรักผู้อื่นคิดถึงความสุขของผู้อื่นอยากให้คนอื่นมีความสุขจึงทำทำสิ่งที่ทำให้คนมีความสุข เช่นมีอะไรก็ให้กันแบ่งกันเวลาพบกันก็ยิ้มแย้มทักทายกันหน้าตาไม่บึ่งตึงถามสารว่าทุกข์สุขด็ดกันสวัสดีสบายดีเหรือมีอะไรให้ช่วยหรือไม่ขาดหรืออะไรลักษณะของคนที่มีความเมตตาแล้วก็ไม่อาฆาตพยาบาทใคร ใครทาอะไรพูดอะไรไม่ดีทําอะไรไม่ดี mm hmm. ก็จะให้อภัย mm hmm. ไม่ถือสา mm hmm. ไม่โกรธเคือง mm hmm. ไม่จองเวรจองกรรมคนอย่างนี้ไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักคนชอบ mm hmm. อย่างในในอนิสง์ของผู้ที่มีความเมตตาในพระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ว่า ผู้ที่มีความเมตตานี้จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายาไม่ใช่แต่มนุษย์เทวดาก็ชอบอจะมีเทวดาคุ้มครองอรักษามีมนุษย์รักษาคนดีนี้ไปไหนก็ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะมีแต่คนรักไม่มีคนชังจะไม่ตายด้วยอาวุธ จะไม่ตายด้วยยาพิษเพราะไม่ได้ไปทำให้ใครโกรธใครเกลียดเกลียดแค้นอาฆาตพยาบาทมีแต่คนรักนี่เรียกว่าอานิสงส์ของผู้มีความเมตตาจะมีความสุขเตื่นก็สุขหลับก็สุขความเมตตาการทำความดีนี้ทำให้เรามีความสุขการทำบุญให้ทานนี้ทำให้เรามีความสุข เราวันนี้เราไปปล่อยนกปล่อยปลาด้วยปล่อยแล้วเราก็จะรู้สึกมีความสุขใจเพราะถ้าเราคิดว่าถ้าเราเป็นนกเป็นปลาถูกขังอยู่ในอยู่ในกรงนี้เราได้รับอิสรภาพนี้เราจะรู้สึกอย่างไรถ้าเราติดคุกติดตารางเราได้รับพระรัตพระรจะทานอภัายาโทษออกจากคุกมานี่ยนที่ติดคุกกับคนที่ไม่ติดคุกนี้อันไหนจะดีกว่ากัน มีความสุขไม่ดีใจไม่ได้ออกจากคุกคนะขณที่ให้คนได้ออกจากคุกนี้ก็มีความสุขเพราะตัวเองได้ให้ความสุขแก่ผู้อื่นในกฎแห่งกรรมท่านแสดงไว้ว่าให้สุขแก่ท่านสุขนั้นก็กลับมาหาเราให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นก็จะกลับมาหาเราถ้าเราไปทุบตีผู้อื่นความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นภายในใจเราเราจะรู้สึกไม่สบายใจ หลังจากที่เราทำไปแล้วถ้าเราให้ความสุขแก่ผู้อื่นเราก็จะรู้สึกมีความสุขอันนี้สูงของความมีความเมตตาเพราะคนมีความเมตตามีแต่จะให้ความสุขแก่ผู้อื่นสุขมีความสุขสบายทำบุญแล้วสบายใจไปเที่ยวแล้วกลับมากลับหมดเ็ดน้ำคานใจ อยากจะไปเที่ยวใหม่ไปซื้อของกลับมาอาจจะเสียใจซื้อมาแล้วของเสียต้องเอาไปเปลี่ยนเอาไปคืนร้านแทนที่จะมีความจุอยากของที่ซื้อมาก็ักบไม่มีความสุขหรือซื้อมาได้มีกี่วันเดียวมีของรุ่นใหม่ออกมา อ, อยากจะได้อีกแล้วของที่ได้มาวันนี้หมดความหมายไปแล้ว ความสุขที่ได้จากของที่ซื้อวันนี้หมดไปแล้วเห็นของใหม่มาแล้วมีรถรุ่นใหม่ออกมาแล้วมีอะไรใหม่ออกมาวความอยากซื้อก็มาอีกแล้วแต่ถ้าทําบุญแล้วมันจะไม่อยากจะซื้ออะไรถ้าซื้อก็ซื้อของจําเป็นเท่านั้นเชิ้เสื้อผ้ามันขาดใส่ไม่ได้แล้วไม่มีใส่รองเท้ามันขาดต้องซื้อใหม่อะไรถึงจะซื้อ ถ้าไม่มีความจาเป็นไม่มีความอยากเส้อเพราะใจอิ่มบุญไม่หิวไม่หิวกับรองเท้าไม่หิวกับกระเป๋าไม่หิวกับเสื้อผ้าไม่หิวกับอะไรต่างๆคนทำบุญจึงมีความสุขตื่นก็สุขหลับก็สุขนอนหลับก็ไม่ฝันร้ายฝันดี แ้เวลาตายไปก็ไม่ไปอบายไปสุคติไม่ไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ไปเป็นไปไม่ไปตกนรกนี่คืออนิสงส์งของผู้ที่ทำบุญทำทานไม่ทำบาปบาปก็คือการฆ่าการลักทรัพย์การประพฤติผิดโดยนีการพูดปดการดื่มสุรายามเมาการกระทำเหล่านี้จะทำให้เกิดโทษ เกิดความทุกข์แก่ผู้อื่นแล้วมันก็จะกลับมาเป็นโทษกับเราตายไปก็ต้องไปใช้กรรมในอบายถ้าไม่รักถ้าไม่ทำบาปได้ใจก็สบายเย็นสบายไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่วิตกกังวลถ้าไปโกหกใครนี่จะกังวลละกลัวเขาจะจับได้ ยั้งถ้าอยากจะมีความสุขใจสบายใจต้องทําทานรักษาศีลในบุญขั้นแรกขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองคือทําทานกับรักษาศีลรักษาแค่ศีลห้าก็พอขั้นนี้แล้วถ้าเราอยากจะได้บุญมากกว่านี้ความอิ่มใจความสุขใจมากกว่านี้ก็ต้องเทิมระดับที่สองระดับที่สูงขึ้น คือระดับของศีลแปดต้องรักษาศีลแปดแลก็ต้องภาวนาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญปัญญาเรียกว่าภาวนาภาวนานี้มีสองขั้นสมถภาวนาคือการทําใจให้สงบเป็นสมาธิวิปัสนาภาวนาการสอนใจให้ฉลาดเรียกว่าปัญญามีสองขั้น ถ้ามีสมาธิใจก็จะมีความสุขมากถ้ามีปัญญาก็จะรักษาความสุขที่ได้จากสมาธินี้ให้อยู่ไปอย่างถาวรไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดนี่ละเป็นความสุขที่แท้จริงเพราะว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดลไม่ต้องอาศัยอะไรมาให้ความสุขกับเราไม่มีอะไรเป็นไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ ไม่ต้องใช้เงินทองเป็นเครื่องมือความสุขอย่างอื่นนี่ต้องใช้ร่างกายใช้เงินทองอยากไปเที่ยวร่างกายก็ต้องแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเงินทองก็ต้องพร้อมถ้าเงินไม่มีร่างกายไม่สบายก็ไปเที่ยวไม่ได้ไปหาความสุขไม่ได้แต่ถ้าทำใจให้สงบได้ รักษาความสงบด้วยปัญญาได้ไม่มีเงินก็มีความสุขได้ไม่มีร่างกายร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีความสุขได้อันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นเป็นความสุขใจเป็นอาหารใจที่จะให้ใจของเรานี่สุขไปตลอด ไม่เหมือนกับความสุขที่เราตอนนี้หากันเป็นความสุขชั่วคราวเงินทองนี้เป็นของชั่วคราวตำแหน่งต่างๆยศต่างๆเป็นของชั่วคราวคำสรรเสริญเยินยอก็เป็นของชั่วคราวความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นของชั่วคราวร่างกายที่เราใช้เป็นเครื่องมือก็เป็นของชั่วคราว ของพวกนี้มันหมดสภาพไปเมื่อไหรความสุขทั้งหลายที่เราได้มาก็หายไปหมดมีแต่ความทุกข์เข้ามาแทนที่เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยนีย่ก็ไม่มีความสุขลวเวลาร่างกายจะตายก็ก็ไม่สุขละมีแต่ความทุกข์กันเพราะเราอาศัยร่างกายเป็นที่พึ่ง พอเราไม่มีร่างกายเราก็เดือดร้อนแต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมาภาวนามารักษาศีแปดเราก็จะเลิกใช้ร่างกายเป็นที่พึ่งเราจะใช้สมาธิใช้ปัญญาเป็นที่พึ่งของใจเป็นเครื่องผลิตความสุขให้กับเราซึ่งเราไม่ต้องใช้ร่างกาย ไม่ต้องใช้ตาหูจมูกลื่นกายไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสก่อนที่ถือสินแปนี่ต้องการที่จะเลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขสีลข้อสามก็ไม่ให้ใช้ร่างกายไปร่วมหลับนอนกับร่างกายของผู้อื่นไม่ให้กินอาหารเพื่อความสุขกินเพื่ออยู่ไม่ให้กินเพื่อ เพื่อความอยากกินได้แต่กินพอประมาณกินแบบกินยากินไว้รักษาร่างกายเพราอให้ไม่ให้มันหิวกินวันละครั้งสองครั้งก็พอไม่ต้องกินวันละสี่หครั้งกินพออยู่ได้ไม่หาความสุขจากการรับประทานไม่หาความสุขจากการหลับนอนมากเกินไป วิธีหลับนอนมากเกินไปก็นอนบนฟูกหนาๆ น, นอนแล้วสบายมันจะได้นอนได้นานๆถ้านอนบนพื้นแข็งๆมันก็จะนอนได้ไม่นานความจริงแล้วร่างกายไม่ต้องนอนมากวันหนึ่งสี่ห้าชั่วโมงก็พอแล้วแต่ถ้านอนบนฟูกหนาๆพอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากรู้จนอนต่อ เพรมันสบายท่านไม่ให้หาความสุขจากการหลับนอนเพราะเป็นความสุขชั่วคราวเอาเวลาที่หลับนอนนี้มานั่งสมาธิดีกว่ามาฟังเทศฟังธรรมสร้างปัญญาดีกว่าเอาความสุขทางใจเอาความสงบดีกว่าเพาความสงบทางใจความเป็นความสุขที่ถาวร ที่เราจะสามารถรักษาไว้ได้ตลอดเวลาถึงแม้ไม่มีเงินทองเราก็มีความสุขได้ถึงแม้เราเกษียณจากราชการไปแล้วไม่มียศไม่มีตำแหน่งเราก็ยังมีความสุขได้ถ้าคนที่ยังยึดติดกับตำแหน่งเวลาเกษียณอายุนี้จะรู้สึกเก่าว้าเวยเาจะไม่มีลูกน้องไม่มีใครมาคอยให้กำลังใจ มาคอยยกย่องสรรเสริญมารับใช้อยู่เป็นคนธรรมดาไม่มีตำแหน่งไม่มียศอะไรจะรู้สึกว่าเว่เศร้าส้อยหงอยเหงาแต่ถ้านั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบได้มีปัญญารักษาความสงบได้ใจก็จะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีไม่มียศไม่มีตำแหน่ง าจจะไม่ทุกข์กับการสูญเสียอะไรไปสูญเสียเงินทองไปก็ไม่ทุกข์สูญเสียยศไปก็ไม่ทุกข์สูญเสียการสรรเสริญเยินยอไปก็ไม่ทุกข์สูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไปคือไม่ได้ไปเที่ยวตามที่ต่างๆก็ไม่ทุกข์ถ้าใจมีความสงบมีปัญญาที่คอยสอนใจให้ ป้องกันรักษาความสงบไว้ไม่ให้ถูกทำลายไปจากกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆนี่แหละเป็นเป็นสิ่งที่พวกเราไม่รู้กันถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนามไม่มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราก็จะถูกความหลงหลอกให้เราไปหาความทุกข์กัน โดยคิดว่ามันเป็นความสุขมีใครคิดว่าเงินทองเป็นความทุกข์บ้างทุกคนคิดว่าเป็นความสุขถึงแนละ้มีใครคิดว่ามียศสูงๆนี่เป็นความทุกข์บ้างจะมารู้ก็ตอนที่ได้เป็นแล้วเนี่ยทุกเพราะวาความรับผิดชอบมันมากขึ้นภารกิจการงานมากขึ้นเรื่องราววุ่นวายใจมากขึ้น คนที่เป็นตำแหน่งสูงๆนี่แก่เร็วนะผมหงอกนะพที่มีตำแหน่งบริหารนี่ปวดหัวมันเรื่องมากมายดูคนที่มาเป็นนายกใหม่ๆเผมดำนะพอเป็นไปไม่กี่ปีนี่ผมหงอกนะหน้าตาเหี่ยวยนนะ่นเพราะความเครียดความเครียดก็คือความทุกขนะ์เกี่ยวกับการงานตำแหน่งสูงมันก็มีความรับผิดชอบมากขึ้น ก็ทําให้มีความวิตกกังวลมากขึ้นคนที่มีตําแหน่งน้อยเป็นคนขับรถที่สบายไม่ต้องกังวลกอะไรมากเพียงแต่ล่างรถเช็ดรถขับรถไปไหนมาไหนเท่านั้นเองเขาก็ไม่แก่หน้าตาเขาก็ผ่องใสไม่ค้ำเครียดคนเราไม่รู้ว่าต้องมีถึงจะรู้ว่ามันทุกมีเงินเยอะๆก็จะทุกเพราะไม่รู้จะไปเก็บไว้ที่ไหน เดีย๋ยนี้เขาไม่ไม่ประกันเงินด้วยประกันแค่ร้านเดียวจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนดีจะไปทำยังไงไม่ให้มันหดจะทาไงให้มันขยายกินไม่ได้นอนไม่หลับกับเงินนี่แหะวิตกกังวลแล้วเวลาจะตายจากมันไปก็เสียดายจะให้ใครดีใครจะเอาไปความทุกข์ต่างๆที่ เกิดจากการมีเงินมีอะไรต่างๆนี้เรามองไม่เห็นกันเพราะเราไม่คิดถึงมันเราคิดแต่ว่าโอ้ยมีแล้วจะได้ใช้มันใจแล้วไปย่งงมุน่นพอได้มาจริงๆก็เสียดายไม่อยากจะใช้ครับทำไปทามามากลายเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ไปก็ได้มาเป็นยามเฝ้างเงินทองสิมาเป็นรอปรอรักษาเงินถ้าใช้ก็กลัวหมดใช่ไหม ใช้หมดแล้วไม่มีใช้ก็ทุกข์ก็เลยเพราะมันเคยมันติดนิสัยแล้วพอเคยใช้แล้วมันติดพอไม่ได้ใช้แล้วมันก็ทุกข์แต่ตอนที่เราไม่มีเงินใช้เราไม่ได้ใช้เราก็ไม่ทุกข์ใชเราก็อยู่ตามมีตามเกิดได้นี่แหละความหลงมันหลอกให้เราเห็นว่าเห็นกับตาละปัดเนี่ยอย่างที่ท่านบอกเห็นกงจากเป็นดอกบัวกงจากมันบาด เราไปจับมันมันก็บาดมือเราไปคิดมันเป็นดอกบัวไปจับมันเข้ามันก็เลยบาดนมันบาดใจเราเราไปติดกับราบยศสรรเสริญติดกับรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยมันทำให้เราบาดใจเราเพราะว่ามันไม่เที่ยงมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมเวลาเจริญก็พอที่จะอยู่กับมันได้ถึงแม้จะทุกข์ก็ยังไม่เป็นไร แต่มันจะทุกข์มากตอนที่มันเสื่อมตอนที่มันจากกันตอนที่เราต้องจากมันมันจากเราเนี่ยตอนนั้น่ะมันจะทุกข์มากถ้าเราไม่มาฟังเทศน์ฟังธรรมเราจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เรา ห, หากันทุกวันอย่นี้มันเป็นความทุกข์กันแม้แต่หาหาห า, หาปัจจัยสี่มาเลี้ยงร่างกายก็เป็นความทุกข์ ถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องหาให้เหนื่อยยากไม่ต้องหาข้าวไม่ต้องหาอาหารหาบ้านหายาหาเครื่องนุ่งห่มการมีร่างกายก็เป็นความทุกข์เหมือนกันลาบยศสารเสริญก็เป็นความทุกข์ร่างกายก็เป็นความทุกข์แต่เรากลับมาหามันอยู่เรื่อยๆกลับมาเกิดเวลากลับมาเกิดก็กลับมาหาร่างกายเพื่อที่จะได้เอาร่างกายไปหาลาบยศสรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายแล้วก็มาทุกข์กับมันทุกข์กับลาบยศสรรเสริญทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรสทุกข์กับร่างกายเวลามันเสื่อมแล้วพอตายไปก็กลับมาใหม่เพราะความอยากหามันไม่มันไม่ตายไปกับร่างกายใจก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจที่ยังอยากจะใช้ร่างกายหารากยศสรรเสริญ สุยก็กลับมาเกิดใหม่มาหาร่างกายอันใหม่ก็เวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้มาอยู่เรื่อยๆื่อและเวลาที่ตายไปก่อนจะกลับมาเกิดก็ต้องแวะไปใช้บุญใช้บาปก่อนอีกถ้าอยู่ขณะที่อยู่ขณะที่หาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายโดยวิธีมิชอบโดยวิธีทุจริตผิดศีลผิดธรรม อันนี้ก็เป็นการสร้างบาปให้กับใจสร้างโทษให้กับใจตายไปก็ต้องไปรับผลบาป ก, ก่อนก่อนจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ต้องไปใช้บาป ก, ก่อนเหมือนกับคนที่ทำผิดกฎหมายก็ต้องไปติดคุกติดตารางก่อนถึงจะถูกปล่อยออกมาให้กลับมาอยู่เป็นคนธรรมดาได้ร่างกายตายไปถ้าขณะที่มีชีวิตอยู่ทำบาปไว้มากกว่าทาบุญ บาบมีกำลังมากกว่าบาปก็จะดึงให้ไปใช่บาปก่อนแล้วพอบาปกับบุญมีกำลังเท่ากันบาปก็ดึงไปอบายไม่ได้บุญก็ดึงไปสวรรค์ไม่ได้ก็มาเป็นมนุษย์กัน <c oughs> มาใช้ร่างกายหาราบยศสารเสริญสุขกันต่อ <c oughs> แล้วก็มาทำบุญทำบาปกันต่อแล้วพอตายไปก็แล้วแต่บุญกับบาปอันไหนมีมากกว่ากัน บุญมีมากกว่าก็ไปสวรรค์ไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์เหมือนกับไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ <c oughs> ไปเสพรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ที่วิเศษที่ละเอียดปราณีกว่ารูปเสียงกลิ่นรสที่เราเสพด้วยตาหูจมูกลิ้นกาย <c oughs> แล้วพอบุญที่ได้ทามมานมันหมดไปไม่สามารถอยู่ในสวรรค์ต่อไปได้ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ กลับมามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่มาหาราบยศสา ร, รเสริญสุขกันใหม่ก็ทําอย่างนี้ไปมาไม่รู้กี่ร้านครั้งละอย่าว่าแต่ร้านเลยเอาล้านคุนล้านก็ได้แล้วก็จะทาอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าว่ามีวิธีที่เราจะ หยุดการเวียนว่าตายเกิดได้เราต้องไปหยุดสาเหตุที่ทำให้เรามาเกิดกันพระพุทธเจ้าก็คนทรงคนพบว่าเหตุที่ทำให้เรามาเกิดก็คือความอยากนี่แหละความอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสนี่แหละที่ทำให้เรามาเกิดกันเราต้องหยุดความอยากนี้ด้วยการมาถือศีลแปดด้วยการมานั่งสมาธิทำใจให้สงบ เวลาใจสงบเราก็หยุดความอยากได้พอ <Yeah. S 1> หยุดความอยากได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเวลาร่างกายนี้ตายไปแล้วเมื่อไม่มีความอยากมันก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป <Yeah. S 1> นานๆจะได้เจอคนที่รู้วิธีนี้สักครั้งหนึ่งถ้าไม่เจอพระพุทธเจ้าไม่เจอคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เจอพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้า เราก็จะไม่รู้สาเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราเราจะไม่รู้สาเหตุที่ทำให้เราต้องมาทุก์กับความแก่ความเจ็บความตายทุก์กับราบยศสรรเสริญทุก์กับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอย่างที่เราทุก์กันอยู่ในขณะนี้ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราสามารถที่จะหลุดออกจากความทุกข์นี้ได้ถ้าเรามาถือศีลแปดกัน มาบวชกันบวชชีพารามก็ได้บวชชีโกนศรีรษะก็ได้บวชพระก็ได้นมันก็เป็นศีลแปดง่ายศีลของพรสถึงแม้จะสองร้อยี่สบเจ็ดก็ส่วนใหญ่ก็เป็นกฎระเบียบเป็นการระเบียบให้พระปฏิบัติตัวให้สวยงามแต่มันก็อยู่ในมันก็อยู่ในกฎของศีลแปดนี่แหละเป็นศ้นหลัก ข้ออื่นเป็นศิลรองเป็นมาเบียบที่จะทำให้พระดูแล้วสวยงามทำอะไรให้ให้ดูแล้วไม่ไม่ไม่บาดตาบาดใจคนพูดก็พูดจาสุภาพอย่างนี้ไม่พูดคำหยาบแต่มันไม่ได้เป็นบาปที่รุนแรงร้ายแรงบาปที่ร้ายแรงก็มีอยู่สี่ข้อนี่คือฆ่ามนุษย์ของพระเนี่ย รักทรัพย์รวมเศษเ ม, ร, มร่วมหลับนอนกับศีกาแล้วก็อวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนโกโหกเรียกโกโหกหล่อรวมอันนี้ถือว่าเป็นศีลหลักของพระศีลรองก็เนี่ยก็ไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย พระก่อนจะบวชก็ต้องถือศีล10บก่อนผู้ที่จะบวชพระก่อนต้องบวชเองก่อนต้องถือศีล10บก่อนก็มือนกับญากโยมถือศีลแนีศีล8กับศีลสิบก็ต่างกันตรงข้อเดียวข้อที่ไม่ให้จับเงินจับทองศีลของโยมจริงๆไม่ใช่ศีลแปดศีลเก้าแต่ก็ข้อข้ข้อเกับข้อ8มารวมกันอันก็ข้อข้อ ข้อเจ็กับข้อแปดของของศีลสิท์มารวมกันเป็นเป็นศีลเจ็ดที่ไม่ให้ไปหาความสุขจากการบันเทิงต่างๆมหอารสบันเทิงแล้วก็ไม่ให้ร้องรำทำเพลงอันนี้เป็นสองข้อไม่ให้ไปไม่ให้แต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาฟรสวยงามทำเท้าทำผมทำหน้าแต่งหน้าทาปากอันนี้ข้อหนึ่ง ข้อข้อไปเที่ยวไปหาความสุขอยากมันเทิงมหัศลศักดอกอันนี้เป็นสองข้อในศิ้นสิบนี้เขาแยกเป็นสองข้อในสิ้นแปดเข้ามารวมกันเป็นข้อเดียวกันแล้วก็ตัดข้อข้อที่สิบไปของของของโยมคือไม่ให้จับต้องเงินทองเพราะโยมยังต้องใช้เงินทองอยู่เงินต้องไปซื้อข้าวไปซื้อยาซื้อเสื้อผ้า ต้องแตะต้องเงินทองก็เลยไม่ให้ถือข้อนี้ไปคำจริยมที่ถือศีลแปนี้ถือศีลก้าวข้อของของสามมนเมมนนสามเณนถือศีลสิบข้อข้อที่สิบก็คือไม่ให้จับต้องเงินทองเพราะเป็นาระในมียาดโยมคอยเลี้ยงดูอยู่แล้วถ้าต้องการอะไรก็บอกยาดโยมได้ถ้ายาดโยมจัดหาซื้อมาได้ไม่จาเป็นจะต้อง แต่ต้องเงินทองอันนี้เป็นศินของนักบวชศิลแปดสินสิบสินสองร้อยี่สิบเจ็ดสินสามร้อ ย, 10, ย, 7, ยกว่านี้ก็เป็นเป็นศีลของนักบวชของผู้ที่ต้องการที่จะหาความสุขที่แท้จริงผู้ที่ต้องการยุติการเวียนว่ายตายเกิดเพราะจะหยุดไม่จะไม่ทําตามความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย จะไม่หาจะไม่อยากได้ลาบยศสรรเสริญตัดสิ่งเหล่านี้ไปเอามาถือสินแปดก็ไปหาเงินหาทองไม่ได้เพราะใช่มามาภาวนามาปฏิบัติธรรมอย่างยากอยู่มาวัด น, นี่มาหาเงินได้ไม่เอาเอาลอตเตอรี่มาขายในวัดได้ไหมเอาประกันมาขายในวัดได้กว่ามาถือศีลแปดนี้ก็ให้มาหาธรรมมาหาสมาธิมาหาปัญญากัน ไม่ใช่มาถือสินแปดแล้วก็มาขายประกันมาขาย เ, าเครื่องสําอางผู <Yeah. S 1> ้ถือถือสินแปดนี่ก็คือผู้ที่เลือกหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายเหมือนนักเหมือนพระเหมือนธรรมเนนที่มาบวชนี่ไม่มาหาเงินทองไม่หาราบยศสรรเสริญอาญาโยงก็ดันเอ า, เอายศมาล่อกับพระอีกเอาตําแหน่งนต่างๆมาล่ อ, อ มาให้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเป็นพระครูเป็นเจ้าฟ้ า, เ, า, จ เ, เ, เ, จ า, าเจ้าคุณเป็นอะไรกันความจริงของพวกนี้ควรจะโยนทิ้งไปได้แล้วนะมันมามันมาทําลายพระไม่ไม่ไ ม, มาทําให้พระดีขึ้นมาทําให้พระมาทําตัวเหมือนยาโยงใช่เอม มันความหวังดีคือความเขาเรียกว่าความหวังดีแต่ประสงค์ลายคือพระเจ้าแผ่นดินท่านมีความหวังดีอยากจะทดแทนบุญคุณของพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้เงินทองก็ไม่ได้ก็เลยให้ยศให้ให้ตัง้งให้เป็นมันเป็นเหมือนกับเครื่องราชอิสอริยาภรณ์ของพระนี่แมันไม่ใช่อะไรมันไม่มีคุณค่าทางเงินทองไม่มีคุณค่าทางอะไร เปลนทางมีคุณค่าทางจิตใจให้คนเข้าเห็นว่านี่เป็นบุคคลที่พระเจ้าแผ่นดินยกย่องสรรเสริญควรจะเอาเป็นตัวยอย่างงันแต่สมัยนี้มันไม่ได้ได้แบบนี้มันได้เพราะการวิ่งเต้นกันเป็นเด็กของใครก็เหมือนทางราชการเนี่ยเป็นเด็กของใครผู้ใหญ่ก็เดินเอาขึ้นไปทาไมเป็นเด็กของผู้ใหญ่ถ้าลิ้นไม่ยาวก็ไม่ได้อกต้องลิ้นยา ว, ยาว มันก็เลยเพีย้ยนไปยศของพระตุวันนี้มันก็เลยเพีย้ยนไปเจตนาเดิมดีอยู่มีเพื่อที่จะส่งเสริมพระให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ทำความดีแก่สังคมแต่กับกายเป็นอย่างนี้กับกายเป็นเป็นเครื่องมือหาลาบเชแล้วเพราะถ้าใครเป็นเจ้าฟ้าเจ้าขุนนี้เวลาคนทำบุญนี่ต้องทำเยอะ ทำน้อยๆไม่ได้ละ ว, ว่าเป็นพระมีระดับแล้ะเขาเรียกถ้าอยากจะทําบุญน้อยๆก็ไปทํากับหลวงพี่หลวงตานน่นถ้าอยากจะทําบุญเยอะๆใช้เงินเยอะๆก็ต้องไปนิมนต์สมเด็จนู่นเจ้าฟ้าเจ้าคุลนั่นอันนี้ก็เลยเป็นความเพี้ยนของของดีๆมันก็กลายเป็นของเพี้ยนไปได้ แล้วถ้าทำให้พระแทนที่จะไปสนใจกับการศึกษาปฏิบัติก็กลับไปสนใจกับการติดตามพระผู้หลักผู้ใหญ่รับใช้พระผู้หลักผู้ใหญ่เพราะพระผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ให้คุณให้โทษเป็นผู้แต่งตั้งเป็นผู้เสนอชื่อเหมือนกับผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งราชการเนี่ยถ้าใครอยู่ใกล้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็เห็นความดีความชอบของเราถ้าอยู่ห่างไกลถึงแม้จะมีความดีความชอบเขาก็มองไม่เห็น ก็ต้องทำใจถ้าเราเป็นคนติดทองหลังพระก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้ทำเพื่อเอาหน้าเอาตาเอาเกียรติยศเราทำเพื่อความดีที่จะทำให้เรามีความสุขใจที่จะทำให้เราให้เราเป็นคนดีเป็นคนมีศีลมีสัตว์อันนี้ก็ได้ประโยชน์กว่าเพราะว่าคนมีศีลมีสัตว์ตายไปก็ไม่ต้องไปใช้กรรมในอบาย ดีกับคนที่ไม่มีศีลมีสัตว์ทําเพื่อเอาหน้าเอาตาเอาลาบเอายดเนี่ยตายไปก็ต้องไปใช้กรรมในอบายนี่ยมันก็กลับมาอยู่ที่การกระทําของเราเนี่ยการหาลาบยศสรรเสริญสุขก็หาแบบมีคุณก็ได้หาแบบบหาแบบไม่มีโทษก็ได้หาแบบมีโทษก็ไ ด, หบบได้หาแบบมีโทษก็หาโดยวิธีทุจริตน หาโดยวิธีสุจริตก็ไม่มีโทษตามมาตายไปก็ไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายแล้วถ้ า, ถ, าถ้าเอาเงินทองที่ได้มาเอามาทําบุญแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นตายไปก็ได้ไปสวรรค์แล้วกลับมาก็จะมีเงินทองที่เราได้ทําบุญนี้รอเราอยู่เงินทองที่เราทํานี้ก็เหมือนกับเป็นเงินไปฝากไว้ในธนาคาร พอเราต้องการเงินเราก็ไปเบิกได้พอชาติหน้าเรากลับมาเกิดใหม่เราก็จะมีเงินทองรอเราอยู่มาเกิดเป็นรูกของเศษรษฐีลูกของคนร่ำคนรวยอันนี้ก็เป็นเรื่องของคําสอนของพระพุทธเจ้าที่จะทําให้เราจเจริญมีความสุขทางจิตใจแลนะทางราบยศทาง ทางร่างกายด้วยเพียงแต่ว่ามันเป็นร่างกายของภพต่อไปของชาติต่อไปปัจจุบันก็จะทำให้ใจเรามีความสุขถ้าเราทำความดีตื่นก็มีความสุขหลับก็มีความสุขนอนหลับก็ไม่ฝันร้ายถ้าเราทำบาปนี่นอนหลับจะฝันร้ายตื่นก็ไม่ค่อยมีความสุขเ็าจะมีความวิตกกังวลเห็นตารวจเดินมาบางทีก็ตกใจว จะมาจับเราหรือเปล่าอแต่ถ้าเราไม่ได้ทําบาปไม่ทําผิดกฎหมายนี่ตํารวจมาเราก็จะรู้สึกเฉยๆดีใจใช่ไม่ความอบอุ่นใจเห็นเจ้าหน้าที่ตํารวจมาเพราะเจ้าหน้าที่เขาก็มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองรักษาเรานอกจากเราทําผิดเท่านั้นเขาถึงจะมาจับเราแต่ถ้าเราอยากจะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเราก็มา หัดบวชกันตอนต้นก็บวชชั่วคราวอย่างที่ญาติโยมมาทำนเนี่ยบวชสามวันบ้างห้าวันบ้างอันนี้เป็นการหัดตัดความอยากต่างๆโดยการมาถึงศีลแปดมานั่งสมาธิมาฟังเทศน์ฟังธรรมให้เกิดปัญญาให้เห็นโทษของการทำตามความอยากว่านำไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นำไปสู่ความสุขความสุข ก, ก็เป็นความสุขปลอม ความสุขที่หุ้มความทุกข์ไว้เหมือนยาขมเคลือบน้ําตาลเวลาอมใหม่ๆก็หวานชีวิตคู่เวลาแต่งงานใหม่ๆหวานไหยพอน้ําตาลมันหายไปแล้วนี่ความหวานหายไปแล้วก็เหลือแต่ความขมขื่นมองหน้ากันไม่ค่อยติดนี่แหละมันเรามองไม่เห็นความขมขื่นความทุกข์ของ ความสุขทางโลกมันเป็นยาขมเคลือบน้ำตาลต้องใช้ปัญญาถึงจะเห็นถ้าฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆแล้วเอาไปคิดเราจะเห็นว่าความสุขต่างๆที่เราได้มานี้มันจะต้องจบด้วยความทุกข์ทั้งนั้นมันจะกลายเป็นความทุกข์ไปในที่สุดเพราะมันมีวันสิ้นสุดมีวันเปลี่ยนแปลงไปมีเจริญก็มีเสื่อมมีเกิดก็มีดับมีดีก็มีชั่วมันเปลี่ยนไปตาม เหตุการณ์ตามเวลาถ้าเราคิดถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็บอกอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่แบบยากจนดีกว่าพออยู่พอกินก็ดีแล้วหรืออยู่แบบไม่กลัวตายได้ยิ่งดีอดตายก็ยอมอดถ้าต้องถ้าต้องตายเพราะอดก็ยอมอดเราอยู่ไปก็เท่านั้นอยู่ไปก็มีแต่ความทุกข์ปะปะอยู่ไปทำไมแต่อย่าฆ่าตัวตายเท่านั้นเองแต่ถ้ามันจะตายด้วยธรรมชาติด้วยด้วยเหตุผลอย่างอื่นก็เรื่องของมัน ไม่แต่ใจจะไม่วิถุกาจจะไม่ทุกข์กับมันร่างกายจะอดอยากขาดแคลนยังไงก็อยู่กับมันได้จะเจ็บคา้ได้ป่วยเป็นอามาพตะอามภาสก็อยู่กับมันได้จะตายก็อยู่กับมันได้ไม่เดือดร้อนถ้าใจมีสมาธิมีปัญญาแล้วใจจะสงบใจจะนิ่งใจจะไม่เดือดร้อนเพราะใจปล่อยวางร่างกายได้รู้ว่าร่างกายไม่ใช่ใจและไม่ ละใจไม่ต้องพึ่งร่างกายแล้วไม่ต้องใช้ร่างกายไปห า, าลาบยศรเสรินไม่ต้องใช้ร่างกายไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะใจมีความสุขที่ดีกว่าที่เกิดจากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบและเกิดจากการใช้ปัญญารักษาความสงบนี้ด้วยการปล่อยวางทุกอย่างเพราะการยึดติดนีจะจะทำให้ใจไม่สงบจะทาให้ใจวุ่นวาย พ อ, อยึดติดชาวบลายก็อยากจะให้เขาดีอยากจะให้เขาอยู่กับเราพอก็ไม่ดีเขาไม่อยู่กับเราเราก็เสียใจนี่คือทาขั้นสูงคือการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดทาขั้นต่ำก็คือปฏิบัติเพื่อการเวียนว่ายตายเกิดแต่เวียนว่ายตายเกิดในภพที่ดีไปเป็นไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่าง กลับมาเกิดใหม่ก็มาเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าเก่ามีคุณสมบัติมีเงินทองที่ดีกว่าเก่าถ้าทำบุญทำทานไม่ทำบาปถ้าทำบาปไม่ทำบุญก็จะไปเกิดในอบายเวลากลับมาเกิดใหม่ก็กลับมาเร็วกว่าเก่าแย่กว่าเก่านี่คือทางเลือกสองระดับระดับล่างระดับบนระดับล่างก็เลือกได้ว่าจะ จะเวียนว่ายตายเกิดในในสุกติหรือในทุกติในอบายในระดับความทำระดับบนก็คือการไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดหรือกลับมาก็กลับมาเหลือไม่เกินเจดชาติถ้าได้ถึงขั้นแรกของพระอริยบุคคลก็เป็นพระโสดาบันภพชาติก็จะเหลือไม่เกินเจดชาติถ้าขั้นที่สองก็จะเหลือเพียงชาติเดียวที่จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ถ้าได้ขั้นที่สามก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมนะถ้าได้ขั้นที่สี่ก็ไม่ต้องมาไม่ต้องมาเกิดในในสวรรค์ชั้นพรหมไปพระนิพพานเลย <c oughs> เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันตสาวกนี่คือที่ไปของใจของพวกเราที่เราสามารถส่งมันไปได้เหมือนกับสมัยที่เราเป็นเด็กๆ เ, เราสามารถส่ง สงใจเราไปสู่การศึกษาได้หลายระดับด้วยกันจะไปแค่ปป6ก็ได้ไปแค่มัธยม6ก็ได้ไปปวชก็ได้ไปปวสก็ได้ไปปริญญาตรีโทเอกก็ได้มีทางไปอยู่ที่เราจะไปหรือไม่เท่านั้นเองเราต้องมีไฟต้องมีความอยากไปมันถึงจะพาเราไปได้ถ้าเราอยากจะไปนิพนธ์ เราต้องมีความอยากไปเราต้องมีความอยากปฏิบัติอยากรักษาศีลอยากบวชอยากนั่งสมาธิอยากเจริญปัญญาฟังเทศฟังธรรมมันก็จะพาเราไปได้ถ้าเราอยากจะเรียนปริญญาเราก็ต้องอยากไปโรงเรียนอยากเรียนหนังสืออยากทำการบ้านไม่อยากเที่ยวไม่อยากเล่นมันก็จะพาให้เราไปได้สิ่งที่เราอยากได้ ถ้าเราอยากจะไปสวรรค์เราก็ทำบุญไม่ทำบาปไปถ้าเราอยากจะไปอบายไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปตอกนรกก็ทำบาปไปไม่ต้องทำบุญนี่คือเหตุที่จะพาให้เราไปเป็นอะไรต่างๆไม่มีอะไรมาทำให้เราเป็นอะไรต่างๆได้ชีวิตของเรานี้ไม่มีพรมพรมไม่ได้เป็นผู้ลิขิตชีวิตเราผู้ที่ลิขิตชีวิตเราก็คือกรรมกรรมิริ กรรมก็คือการกระทําของเราทางกายทางวาจาและฐานใจอย่างตอนนี้พวกเรามานุ่งเขาห่มเขานี่กําลเรากำลังจะไปเป็นพมกันดึเปล่าพมไม่เสพกรรมไงผู้ไม่เสพกามไม่เสพรูปเสียงกลิ่นรสนี้ก็จะไปเป็นพรมแต่ยังเสพรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ถ้าถือศีนถ้าถือศีลห้านี้ยังไปเป็นเทวดาเทวดานี้ยังเสพกามอยู่ นี่แหละคือสิ่งที่พวกเราจะได้รับจากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้เห็นแผนที่ชีวิตของพวกเราได้เห็นทางเลือกของการเดินชีวิตของเราว่าเราจะไปทางไหนเราเลือกได้ไม่มีใครเป็นผู้ที่มาชี้ชะตากรรมให้กับพวกเราพวกเรานี่แหละเป็นผู้ที่ชี้ชะตากรรมของเราเองอยู่ที่ความหลงด้วยความรู้ถ้ามีความหลงมันก็จะชี้เราไปทางที่ไม่ดี ถ้ามีความรู้จากพระพุทธเจ้าจากาศาสนาก็จะชี้ทางให้เราไปในทางที่ดีฉะนั้นเราควรที่จะเข้าหาความรู้คำสอนของพระพุทธเจ้ากันไอะไรเสียงมันหมดแรงกนะ็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะ อ, อนุโมทนาให้พร มีใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้นะตอนช่วงนี้เป็นช่วงถามตอบปัญหาทมใครฟังแล้วไม่เข้าใจมีข้อกังหากังขาต้องการให้ขยายความอะไรก็ถามได้พอดีน้องขา้าง่าเขาฝากถามมาว่าจิตคืออะไรก็เนี่ยคนที่กำลังสั่งให้ร่างกายทำอะไรนียคือจิตถ้าไม่มีคนสั่งร่างกายก็ทำอะไรไม่ได้ ผู้คิดผู้รู้ผู้สั่งร่างกายให้ทำอะไรต่างๆนี้คือจิตเหมือนคนขับรถยนต์เนี่ยรถยนต์กับคนขับนี่คนเดียวกันหรือปเปล่าใช่ไหมรถยนต์ก็ต้องมีคนขับมันถึงจะไปไหนมาไหนได้จิตนี่นเราเป็นคนขับร่างกายเรามารับร่างกายเราในขณะที่ตั้งท้องอยู่ในท้องแม่จิตเราก็เข้าไปจับจองเป็นเจ้าของ พอออกมาจากท้องแม่ก็ขับเลยหัดขับก่อนหัดเดินหัดคานหัดยืนหัดนั่งหัดนอนหัดกินหัดดื่มอันนั้นกำลังเป็นช่วงหัดขับรถกันอยู่พอขับได้แล้วทีนี้ก็สั่งให้มันไปทำอะไรต่างๆไดนะ้ส่วนใหญ่ก็สั่งไปทําตามความอยากที่เคยอยากมาไปหารูปเสียงกลิ่นรดไปหาลาบยศสรรเสริญกันแล้วพอร่างกายนี้ตายไปคนสั่งไม่ได้ตายไปกับร่างกาย จิตไม่ได้ตายจิตก็เรียกว่าวิญญาณไปเปลี่ยนชื่อเป็นวิญญาณไปคนเดียวกันเปลี่ยนสถานภาพเหมือนจากนางสาวแต่งงานก็เป็นนางไปไอ้แมันตอนนี้ในหลวงยังเปลี่ยนเป็นสถานภาพไปแล้วไม่ได้เป็นในหลวงต้องเป็นในหลวงในหลวงคนใหม่ขึ้นมาแล้วในหลวงต้องเป็นเปลี่ยนเป็นสถานภาพไปแล้วก็ จิตนี่แหะเป็นตัวที่เราเรียกว่าวิญญาณเวลาร่างกายนี้ตายไปจิตไม่มีร่างกายเราก็เรียกวิญญาณแล้วจิตนี้ก็ส่งกระแสไปหาท้องท้องไครตั้งท้องมันก็ส่งกระแสเข้าไปยึดยึดร่างกายในท้องนั้นส่งส่งวิญญาณเข้าไปห้าห้าช่อห้าหเส้นวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกทางลิ้นทางกายเพื่อจะได้รับข้อมูล ของที่รับมาทางร่างกายได้จิตอาศัยวิญญาณรับภาพรับเสียงก็มาให้ผู้รู้ได้รู้ว่ากำลังเห็นภาพอะไรกำลังดูภาพอะไรกำลังได้ยินเสียงอะไรแล้วก็สั่งให้ร่างกายถ้าเห็นภาพที่ถูกใจก็ไปเอามาเห็นรถสวยๆก็ไปซื้อมาเห็นคนสวยๆก็ไปเอามาเห็นอะไรชอบก็สั่งให้มันไปเอามา ถ้าเอามาโดยวิธีสุดจริตไม่ได้ก็เอาวิธีทุจริตมันก็เลยเกิดโทษขึ้นมาเวลาร่างกายตายไปก็ต้องไปติดคุกติดตารางไปติดคุกในอบายเนี่ยเรามีสองส่วนมีจิตกับมีมีกายร่างกายนี่ ทำมาจากดินน้ำลมไฟจะเป็นเกษตรใช่ไหมร่างกายนี้มันมาจากดินน้ำลมไฟรือเปล่าเหมือนต้นไม้นะตามจริงครับเรากินน้ําเข้าไปหรือเปล่าเแบบนี้ยอารมเข้าไปหรือเปล่าตแบบ้องมีความร้อนหรือเปลอมีแสงแดดหรือเปล่าแบบต้องมอีมีดินหรือเปลอร่างกายนี้มันเอาธาตุดินมาจากไหนจิตนี่รับรับรู้เรื่องสิ่งอชอบเชื่อดีไหครับอ่าเนี่ยแหละตัวรับรู้ก็คือจิตไม่ใช่ร่างกาย ร่างกายไม่รู้อะไรเลยเหมือนต้นไม้ดีๆนี่เองพียงแต่ว่ามีจิตมาสั่งให้มันเคลื่อนไหวได้ท่านเองสั่งให้มันออกเสียงอะไรได้จิตเป็นคนสั่งจิตนี้ไม่ไม่มีไม่ไม่ไม่มีการไม่ตายไม่มีรูปไม่มีร่างเป็นเหมือนมนุษย์ล่องขนกันยังไม่ลด้มันไม่ได้เวียน่ะมันไปหามันไป มันก็คำว่าเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นภาษาเราใช้กันการจิตมันอยู่ที่เดียวนะอยู่ในโลกทิพย์เวลามันทําบุญมันก็สุขมันก็เป็นสวรรค์ขึ้นมาเหมือนเวลาเราเปิดไฟมันก็สว่างขึ้นมาเวลาเราปิดไฟมันก็มืดขึ้นมาจิตเราเนี่ยเวลาทําบุญก็เหมือนกับเปิดแสงสว่างให้ในจิตมีความสุขเวลาทําบาปก็เหมือนปิดแสงสว่างให้มันมืดนั่งมันก็ทุกข์ จิตเรามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามบุญตามบาปที่เราทําไงพอเวลาไม่มีร่างกายถ้ามันมืดมันก็มืดไปจนกว่ามันจะหมดบาปมันถึงจะสว่างมันถึงจะกลับมาได้ร่างกายอัใหม่ถ้ามันสว่างมันก็ไปเป็นเทพมันก็สว่างก็เรียกว่าเทพไปตัวจิตมันไม่ได้ไปไหนหรอกมันไม่มีที่รูปไม่มีร่างมันไม่มีการเคลื่อนไหวมันไม่มีร่างมันจะเคลื่อนไหวได้ยังไงใช่ไหมมันก็อยู่ตรงนั้นแ่ะ มันไม่ต้องไปไหนมันเคลื่อนไหวด้วยความคิดไงจิตเราเคลื่อนไหวด้วยความคิดคิดถึงเมื่อวานนี้ก็ไปอดีตแล้วคิดถึงพรุ่งนี้ก็ไปอนาคตแล้วคิดถึงกรุงเทพมันก็ไปถึงกรุงเทพมันไม่ต้องไปด้วยตัวมันเองคิดถึงอเมริกามันก็ไปถึงอเมริกาแล้วจิตมันไม่มีรูปร่างมันไม่มีมันไม่ต้องเคลื่อนไหวมันไม่มีที่ให้มันมันไม่มีตัวมันจะไปเคลื่อนไหวได้ยังไง แล้วที่เราทํากรรมดีกรรมชั่วก็อะไรก็บุญพอทํากรรมดีจิตก็สว่างมีความสุขขึ้นมามันตามจิตไปเนยมันไม่มันเป็นทันทีเหมือนน้ํางเงี้ยน้ำถ้าคุณเอาสองสกปรกใส่เข้าไปมันก็คุณภาพน้ําก็เสื่อมลงไปเรื่อยใช่ไหมถ้าคุณเทใส่ใส่กรองไปมันก็สะอาดขึ้นมาเรื่อยๆเวลาทําบุญก็เหมือนกับกรองน้ําให้มันสะอาดขึ้นเวลาทําบาปก็เหมือนเอาของสกปรกใส่เข้าไปในน้ํา ให้มันสงบปกมากขึ้นน้ำก็มันก็อยู่ที่เดิมมันไม่ได้ไปไหนจิตก็เหมือนกันที่เปลี่ยนแปลง ก, ก็คือคุณสมบัติของจิตถ้าทำความดีคุณสมบัติก็จะดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นแล้วก็เรียกว่าสวรรค์คิดคนที่มีความสุขมากขึ้นมีคุณคุณคุณสมบัติก็ดีขึ้นจะจะเป็นคนที่คิดดีคนทาบุญก็จะคิดแต่ดีไม่คิดทาร้ายผู้อื่น ก็ตามจิตไปในภพหน้าชาติหน้าด้วยใช่ไหมครับมันก็อยู่ในจิตทันทีมันไม่ได้ตามมันเปลี่ยนมันเป็นทันทีอันนี้คุณทำบาป ค, คุณก็เป็นเดรัจฉานทันทีร่างกายยังเป็นมนุษย์อยู่แต่จิตของคุณเป็นเดรัจฉานไปแล้วถ้าคุณอาฆาตพยาบาทไปฆ่าคนด้วยความอาฆาตพยาบาทจิตของคุณก็เป็นนรกทันที เข้าใจไหมมันไม่ันมันต้องตามันอยู่มันเป็นทันทีพอไม่มีร่างกายมันก็มันก็มันก็เป็นนรกไปเรื่อยๆจนกว่าบาปที่ทําไว้มันหมดกําลังลงแล้วมันก็กลับมาเป็นอยู่ในระดับมนุษย์ใหม่มันก็กลับมาได้ร่างกายมนุษย์ใหม่โดยจะจะพูดแบบเปรียบเทียบก็คือก็เหมือนกับจิตอยู่ในคอนโดเนี่ยคอนโดมันก็มีหลายชั้นใช่ไหม เวลาทําบุญมันก็ขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆเวลาทําบาปมันก็ลงมาต่าํำลงมาเรื่อยๆนั่นเองจิตของเราเนี่ยมันสุขมากขึ้นหรือทุกมากขึ้นฉะนั้นสุขมากขึ้นก็เรียกก็สวรรค์ะทุกทุกมากขึ้นก็นรนะกอบายตัวจิตไม่ไม่มีรูปร่างไม่มีหน้าตาไม่มีอะไรไม่มีที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเหมือนร่างกายอยู่เราถึงเรียกว่ามันเป็นอยู่ในโลกที่ โลกทิพย์นี่ไม่มีไม่มีที่เหมือนกับร่างกายอยู่ตัววัดจิตก็คือสุขทุกข์นี่แหละถ้าทุกข์ก็แสดงว่าเป็นผลของการทําบาปถ้าสุขก็เป็นผลของการทําบุญถ้าเราทําบุญตามที่พระเจ้าสอนมันก็ต่อไปก็จะมีแต่สุขเพียงอย่างเดียวไม่มีทุกข์เลยถ้าเราทําบาป ไปหาความสุขแบบที่เราหากันอยู่นี้มันก็จะมีแต่ความทุกข์ตามมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีความเวียนว่ายตายเกิดทำอยู่เรื่อยๆบาที่ทำไปแล้ว เ, เราทำความดีไปเรื่อยๆก็มีความสุขแต่บาที่ทำไปแล้วก็ยังมีอยู่ใช่ไ้ยคะก็มันมาตีกันมาแย่งกั น, น่ย เวลาทำบาปก็ไม่สบายใจเวลาไปทําบุญมันก็สบายใจขณะที่มีชีวิตอยู่มันก็สลับไปสลับมาได้อ๋อก็อย่าทำบุญอย่าทำบาปเลยอย่าทำบุญอย่าทาบาปมาปฏิบัติธรรมมาบวชเนี่ยหยุดทําบุญหยุดกอนมาบวชนี่เขาไม่ได้ไปทําบุญละเขานั่งสมาธิเขาตัดกิเลสตัดความเขาไม่ทําบาปก็ไม่ทําบุญ คนเมื่อตอนนี้คนคนบวชจริงๆเงาพร ะ, น ะ, นะนเนี่ยทำบุญที่ไหนพระไม่ได้ใส่บาตรไม่ใช่พระมีแต่มีแต่บินทบาทนะแล้วสมมติว่าเราปลูกเออกษตรมันต้มีการฆ้าแมลงอะไรอย่างนี้นะฆ้าก็บาป <laughs> <laughs> ไม่ใช่าถามอะไรทำไมบาปก็บาปมันจะไม่บอกมันออวิเหตุผลอย่างอื่นไม่ได้ เ ร, เราต้องไปบอกถามมาแรงวนะ่ากูฆ่ามึงแล้วมึงยอมยอมให้กูฆ่ามหนมะ <c oughs> มันก็ไม่ยอมอะ่ะถาาา้ามันรู้ว่าใครมาฆ่ามันมันก็จองเวรจองกรรมเลยในในเราก็ต้องปานาก็อย่าไปทําอาชีพที่ไม่ต้องปาน า, <c oughs> า, าสิ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมถ้าเราเราไม่ได้ทําเราเราเป็นคนสอนวิชานี้แต่สอนก็มันก็บาปเหมือนกันสอนให้เขาทา ก็ไปทําบาปมันก็บาปเหมือนกันมันก็สั่งเขาให้ไปทำท่านข้าขอถามออผู้ชายที่มีความจำเป็นจะต้องบวชเรียน ท, ทุกคนหรือเปล่าไม่มีใครมีความจำเป็นต้องบวชเรียนอยู่ที่ความอยากของเขาแล้วก า, าเบื่อกับการเวนยนว่าตายเกิดเขาก็ไปบวชกันเขาไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเขาก็ไปบวชกันคนที่ยังกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ก็ไม่ต้องบวชให้เสียเวลา ยังอยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่หรือเปล่าแต่ยังอ ย, อยากอยู่ก็ไม่ต้องไปบวชก็ ه, ทําบุญรักษาศีลห้าก็ทําบุญก็พอตายไปก็ไปไปเป็นเทพกลับมาจากเทพว่ามาเป็นมนุษย์ใหม่ก็ทํานี้ไปได้เรื่อยๆจนกว่าจะเบื่อความแก่ความเจ็บความตายไม่อยากจะแกะ่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายก็ต้องไปบวช เพื่อไปหยุดความอยากความอยากทําให้เรากลับมาเกิดกันพอมีความอยากก็ต้องมีร่างกายใช่ไหมอยากดูก็ต้องมีตาอยากฟังก็ต้องมีหู<ม>ก็ต้องมีร่างกายถ้าไปบวชไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิความอยากดูอยากฟังมันก็หายไปก็ไม่ต้องไม่ต้องกลับมามีร่างกายยันไม่มี ไ ม, มไม่มีกฎตายตัวว่าเกิดมาเป็นผู้ชายทุกคนจะต้องบวชอันนี้มันเป็นธรรมเนียมที่เราเชื่อกันเท่า น, นั้นว่าบวชแล้วมันดีเพราะสมัยก่อนมันเป็นการศึกษาหาความรู้เพราะสมัยก่อนการศึกษาทางโลกไม่ค่อยมีกันจะอยากจะเศึกษาความรู้ก็ต้องไปบวชกันซึ่งเป็นความรู้ทางธรรมที่เป็นประโยชน์มากกว่าความรู้ทางโลกเพราะว่ามันจะทาใหเรารู้จักผิดถูกดีชั่ว จะทำให้เรารักษาชีวิตของเราไม่ให้ตกไปอยู่ในสภาพที่ช to re ั่วร้ายที่มีแต่โทษกับเราเขาก็บวชกันบวชเพื่อจะได้เป็นคนดีพูดง่ายๆสมัยโบราณก็บวชกันเพื่อให้เป็นคนดีเท่านั้นแหละไม่ให้มาทำผิดกฎหมายไม่ให้มาทำร้ายผู้อื่นให้มาทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น ให้รู้จักบุญคุณของพ่อของแม่ให้มีสัมมาคารวะอะไรต่างๆเหล่านี้การบวชจะได้เรียนรู้อย่างนี้ทําให้คนเป็นคนไม่ได้เป็นเดรัจฉานเดรัจฉานจะไม่รู้ไปจากบาปบุญคุณโทษจะไม่รู้จักความกระตันอยู่จะไม่รู้จักความเค า, ารบสัมมาคารวะอะไรเดรัจฉานมันจะไม่รู้ได้ยังงี้คําว่าเกาะชายพ้าดหรือทั้งอย่าง คนเป็นแม่ได้ก่อชัยถ้าเลื่อของของของลูกชายที่ได้บวชเนอก็ได้ไปวัดไงเวลาลูกบวช แ, แม่ก็ต้องไปเยี่ยมแม่ก็ต้องไปเยี่ยมลูกที่วัดไงก็ได้ไปวัดไงไม่ใช่ว่าแบ่งบุญไหมอา่าไม่เราก็ต้องไปเราก็ไปวัดเราก็เราก็ต้องไปทําบุญให้กับลูกไงพอลูกบวชเราก็อยากไปใสบ่บาตรกับลูกไว้เองก็สายลูกเป็นเป็นตัวนึ้งเราเข้า <het>, ว <determine S 3> ัดเนี่ยพอมาวัดได้ใส่บาตรก็ต้องมาฟังเทศฟังธรรมจากพระอีก แล้วเห็นคนเื่นเขรักษาศีลนุ่งขาวองเขาก็อยากจะปฏิบัติตามเขาก็เลยได้ปฏิบัติก็เลยได้ไปสวรรค์กับโลกเพราะลูกก็บวชแม่กขาลูกบวชตามงแต่แม่บวชชั่วคราวลูกบวชยาวหน่อยแต่แม่เนี่ยนะบางทีบางคนลูกมาบวชสิห้าวันแต่แม่นี่หลังจากหลังจากลูกศึกไปแล้วแม่ก็มาอยู่เรื่อยๆก็มามาอยู่เรื่อยๆเพราะติดใจเมื่อก่อนไม่เคยมา แต่พอมาแล้วได้สัมผัสกับความสุขทางธรรมก็เลยติดใจรู้สึกไปหลายปีแม่พ่อแม่ก็ยังมาวัดเป็นประจําอยู่อั น, นอาศัยชายผ้าเหลืองของลูกพาให้แม่ได้ขึ้นสวรรค์กันเพราะการทําบุญรักษาศีนี่ก็ได้ขึ้นสวรรค์แล้วแหละถ้าไม่ได้มาวัด อ, อาจจะคิดว่าบุญไม่มีสวรรค์ไม่มีก็เลยไม่กลัวบาปทำมากินบางทีก็ต้องพูดปดบ้างางทีต้องโกงบ้างใช่ไหม มันก็เลยทำโดยที่ไม่คิดว่าไม่มีปัญหาคิดว่าตายไปก็ไม่มีใครไปรับผลบุญผลบาปตายไปแล้วก็จบพอมาวัดก็ได้ฟังเทศฟังธรรมได้รู้ว่าตายไปแล้วเราไม่ได้ตายไปกับร่างกาย <Okay. S 1> เรายังต้องไปรับบุญผลบาปต่อไปก็จะทำให้เรากลัวบาปอยากจะทำบุญไม่กล้าทำบา พอเราไม่ทำบาปเราก็ไม่ต้องไปอบายไม่ต้องไปนรกกวามจริงคำว่าไปไม่ถูกมันไม่ได้ไปแล้วมันเป็นอยู่แล้วมันไม่เป็นอบายมันไม่เป็นนรกมันไม่เป็นใจนี่เป็นตัวเป็นตัวที่เป็นนรกเป็นสวรรค์เป็นเดชะนัานเป็นเทวดานี่คือตัวใจเป็นทันทีในขณะที่เราเนี่ยตอนนี้เราเป็นพรมกันแล้วมาถือศีลแปดกันตอนนี้ก็เป็นพรมกันแล้วพอเราไม่เศษกรามแล้วยังไงไม่เศษรูปเสียงกลิ่นรส แต่เป็ น, เ ป, นเป็นพรมชั่วคราวเดี๋ยวพอสึกไปก็กลับไปเป็นเทพต่อไปไปเสษการต่อไปดูทีวีไปฟังเพลงต่อตอนนี้ตอนไปมนุษย์เรายังขึ้นๆลงๆได้อยู่ถ้าเผลอไปตีมดไปตกยุงเข้าก็ไปเป็นอาบายซะก่อนไปเป็นเดรัชานซะก่อนแล้วบุญกบบาปที่เราทำมันก็จะยังสะสมอยู่ในใจเราอยู่ พอเราร่างกายนี้ตายไปเวลานั้นบุญกับบาสมันก็จะมามาสแสดงผลกันละฝ่ า, ายไหนมีกำลังมากกว่าฝ่ายนั้นก็สแสดงผลก่อนถ้าบาสมีมีมีกำลังมากกว่าบาป ก, ก็สแสดงผลก่อนความทุกข์ต่างๆก็จะออกมาเป็นขบวนเลยถ้าบุญมีความมีกำลังมากกว่าความสุขต่างมันก็จะออกมาสแสดงเป็นขบวนก่อนจนกว่าบุญกับบาสมีกาลังเท่ากัน บุญก็ไม่สามารถแสดงผลได้บาป ก, ก็ไม่สามารถสามารถแสดงผลได้เวลานั้นเราก็มาได้ร่างกายอันใหม่มาเป็นมนุษย์ใหม่มนุษย์นี้เป็นช่วงที่บุญกับบาปมีกำลังเท่ากันไม่เป็นมนุษย์ไม่เป็นเทวดาไม่เป็นเปรตไม่เป็นไม่เป็นเดรัจฉานก็มาเป็นมนุษย์กันแล้วก็มาทำบุญทําบากปกันใหม่ ไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนการเรามาหยุดทําบุญทําบาปด้วยการไปบวชไปบวชไปนั่งเฉยๆนั่งทําสมาธิหยุดความอยากต่างๆตับความอยากต่างอาจารย์คะทำยังไงกับคนที่เชื่อว่าตายแล้วสูญนะคะก็ปล่อยเขาไปเนี่ยไม่เชื่อพระเจ้าบอกเป็นพวกบัวใต้น้ํำไงบัวพวกพวกนี้สอนไม่ได้พระเจ้าแบ่งคนไว้สี่พวก พวกที่พอสอนได้มีสามพวกพวกที่หนึ่งก็เชื่อบุญเชื่อบาปก็ทำบุญทำทานรักษาศีลพวกที่สองเชื่อว่าไปนิพพานได้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้พวกนี้ก็ไปบวชกันพวกที่สามก็คือพวกที่บวชแล้วได้ฌานได้สมาธิแล้วก็พร้อมที่จะเอาเอาปัญญาของพระเจ้ามาหยุดความอยากต่างๆบวสี่เหล่าส่วนพวกที่สี่พวกที่อยู่ใต้น้ำนี่ พวกที่ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อเวียนว่ายตายเกิดพวกนี้ก็ต้องสอนไม่ได้มันก็จะต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดไปเหมือนกับปูเหมือนกับบัวที่ถูกที่กลายเป็นอาหารของปูของปลาไปพวกนี้จะไม่มีวันโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําได้แต่อีกสามพวกนี้พวกที่บัวกลางน้ําบัวปลิ่ม น, น้ําแล้วบัวเหนือน้ำเนี่ยพวกนี้จะเป็นวพวกบัวที่จะมาเจริญติบโ ต, ตขึ้นมาได้ จิตใจของผู้ที่จ ะ, จะเจริญก้าวหน้าได้นี่ต้องมีศรัทธาความเชื่อในเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนรกสวรรค์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดว่าเป็นความจริงถึงแม้เราไม่เห็นด้วยตาของเราเองเราต้องเชื่อคนที่เขาเห็นแล้วก็เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ที่ให้เรามีศรัทธาให้เชื่อตรงนี้เชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ที่รู้รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้กันเห็นในสิ่งที่เราไม่เห็นกัน ก็เห็นตัวของพวกเราเนี่ยคือใจของพวกเราเนี่ยพวกเราไม่เห็นตัวของเราแต่พระเจ้าพระอรหัตอริยสงสาวอค์ทั้งหลายท่านเห็นท่านเห็นว่ามันไม่ได้เป็นร่างกายเป็นตัวที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเป็นตัวที่ไปเกิดใหม่เป็นตัวที่ไปรับผลบุญผลบาปใหม่ถ้าเชื่ออย่างนี้แล้วมันก็จะได้ทำตามที่พระเจ้าสอนได้ก็คือไม่ทาบา ทำแต่บุญแล้วก็หยุดความอยากถ้าหยุดความอยากได้หมดก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปถ้ายังหยุดไม่ได้ก็กลับมาเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆเพราะเราหยุดทําบาปเราทําแต่บุญมีค่าอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะบอกว่ามินงที่ที่ดีที่สุดก็คือการเจริญภาวนาจะดีมาก ทำทานการบริจาคเงินใช่หรืีเป<อ>ล่าคะมันก็เหมือนกับ<ม>ปริญญาตรีมันก็เดียกับมัธยมหกก่อนใช่ไหมแต่ก่อนจะไปปริญญาตรีด้มันก็ต้องผ่านมัธยมหก่อนไม่ใช่อยากได้ปริญญาตรีก็ไปสมัครเข้ามาหาหลัยเลยโดยที่ยังไม่ได้เรียนมัธยมหกมันก็เข้าไม่ได้ความรู้ไม่ถึงความสามารถไม่ถึงคนจะภาวนาได้ต้องรักษาศีลห้าให้ได้ก่อนรักษาศีลแปดให้ได้ก่อน คนจะรักษาศีลห้าศีลแปได้ต้องทําบุญทำทานให้ได้ก่อนถ้ายัางโลภอยากได้เงินอยู่จะไปรักษาศีลห้าได้ยังไงถ้ายัางอยากได้ลาบยศเสริญเสริญอยู่ก็จะโกงจะคอร์รัปชันเพื่อจะได้เงินได้ทองได้ตําแหน่งนนอะไรต่างๆก็ไม่สามารถที่จ ะ, ะไปรักษาศีลห้าได้รักษาศีลแปดได้เมื่อรักษาศีลแปดไม่ได้จะมาอยู่วัดได้ยังไงคนที่ ชอบเที่ยวชอบกินเหล้าจะมาอยู่วัดได้ไงก็ภาวนาไม่ได้มันเป็นขั้นไงมันถึงม้ว่าจะดีกว่าดีที่สุดแต่มันมันยากที่สุดบุญที่ดีที่สุดมันยากที่สุดเหมือนกับของที่มันแพงที่สุดก็ต้องของดีที่สุดมันก็แพงที่สุดเดี๋ยซื้อรถเบนที่ซื้อรถราคาแพงแพงมันก็ราคาสูงถ้าซื้อรถราคาถูกมันก็เงินก็ไม่ต้องใช้มาก ซื้อปิกาปันก็ห้ากแสนซื้อเบนคันห น, น, นึ่งก็สองสามล้านนี้อ่ะมันก็ใครก็ไปว่ารถเบนไม่ดีอ่ะรถเบนมันก็ต้องดีกว่ารถปิกาปุ่นแต่คุณมีเงินซื้อลูกเปล่าไม่มีคุณมีเงินแค่ซื้อปิกาปูมันต้องซื้อปิกาปุไปก่อนแล้วค่อยหาเงินเพื่อจะเก็บเงินเก็บทองไปจะจนกว่าจะมีเงินซื้อรถเบนก็ค่อยไปซื้อรถเบนก่อนที่คุณจะมาภาวานาได้คุณก็ต้องรักษาศีนแปดให้ได้ก่อน ก่อจะรักษาสีแปได้ก็ต้องรักษาสีห้าให้ได้คนที่รักษาสีห้าได้ก็ต้องเป็นคนที่มีความเมตตาคนทัดใจบุญศุนทานชอบทำบุญทำทานถ้าเป็นคนไม่มีความเมตตามีความโลภมีความอยากได้มันก็จะไม่ไม่ชอบทาบุญดั้นมันก็อย่างที่เมื่อกี้บอกตอนตอน้ตนบอกว่าบุญมันขั้นๆไงเป็นเป็นสอง สขั้นใหญ่ๆก็คือขั้นรักษาศีลห้ากับการทําบุญทําทานกับขั้นรักษาศีลแปกับการภาวนามันต้องก้าวจากขั้นแรกไปสู่ขั้นที่สองต้องขั้นแรกเรียกว่ขั้นนักบุญไงนักบุญทําบุญทําทานรักษาศีลห้าพอทําบุญทําทานรักษาศีลห้าได้มีกําลังก็ไปรักษาศีลแปดไปบวชได้ไปภาวนาได้ก็เป็นนักบวชไป การปฏิบัติของพระพุทธศาสนาจึงมีสองขั้นใหญ่ๆขั้นแรกเรียกว่าขั้นนักบุญขั้นที่สองก็คือขั้นนักบวชตอนนี้เราบวชได้หรือยังเราบอกภาวนาได้ทําไมไม่บวชกันนะใช่ไหมภาวนาดีกว่าดีกว่าทําบุญทําไมไม่ภาวนากันนะ่ะคิดว่าภาวนาวันละครึ่งชมงนี้พ อ, อไม่ใช่อันนั้นยังไม่ได้ภาวนาอันนั้นเป็นการเหมือนกับหัดภาวนา คนี่ภาวนาจริงๆก็ต้องทําตลอดวันตลอดคืนนอกจากเวลาหลับเท่า น, นั้นะถึงจะเรียกว่าภาวนาถึงจะได้บุญแบบนั้นถ้ามานั่งสมาธิวันละครึ่ชงชั่วโมงอย่างนี้อย่างนี้ยังไม่ได้บุญหรอกเพียงแต่หัดทำเท่า น, นั้นเองแล้วยังทำไม่นั่งก็ไม่ค่อยได้ผลอะไรนั่งไปก็สับประหกหลับมากนั่งบางทีก็จิตฟุง้งซ่านไม่ไม่สับประหกก็ฟุ้งซ่านไปจิตไม่เคยรวมสักทางหนึ่ง ม, มันยังไม่ได้ผล่ มันจะได้ผลจิตมันต้องรวมเป็นสมาธิเป็นฌานนั่นแหะถ้าแกเรียกว่าได้ผลจากการภาวนาไอ้บางคนอยากชอบหลอกตัวเองเสียดายเงินไม่อยากจะทําบุญทำทางนั่งสมาธิได้บุญมากกว่าก็เลยนั่งมาตักครึ่งชั่วโมงอนั่งหลอกตัวเองเข้าใจไห ม, มถ้าเผื่อเราเป็นชาวบ้านธรรมดานะครับ แล้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ใช้ชีวิตแบบสามัญชนทั่วทั่วไปเนี่ยออแล้วเราก็รักษาศีนลนะเรามีมีสมาธิกติอยู่แบบปกติสามัญชนทั่วทั่วไปมไม่ได้มาบวชเป็นพระไม่ได้มาเจริญภาวนาอะไรงเงี้ยก็ก็เป็นคนดีถ้าเป็นนักบวญไงเป็นนักบุญ เ, ออเป็นเทวดาไง เ, เป็นเทวดา เป็นได้แค่เทวดาสูงสุดแค่ขั้นเทวดาครันเบอร์มีความพอใจมีความสุขก็ก็เป็นเทวดาตัวนี้ได้เนี่ยทำบุญกับไม่ทําบาสนี่ก็ได้เป็นเทวดาแต่ท่านเบอร์เขาอยากจะเป็นปลาเป็นรลงก็ต้องไปนั่งสมาธิถือเส้นแปดถือว่าเป็นกิเลสเนี่ยถ้าอยากได้ในสิ่งที่ดีไม่เป็นกิเลสเป็นธรรมถ้าอยากได้สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์กับเรานี่ไม่เป็นกิเลสถ้าอยากได้สิ่งที่เป็นโทษกับเราถึงเป็นกิเลส อยากได้ลาบยศจันลเสือนี่มันเป็นโทษมันทําให้เราทุกข์กันมันถึงเป็นกิเลสอยากได้ในสิ่งที่เป็นเป็นสุขนี่ไม่เป็นเป็นสุกจริงนี่ไม่ใช่เป็นกิเลสถ้าเป็นสุขปลอมนี่ถึงเป็นกิเลสลาบยศจันลเสือนี่มันสุกแต่มันสุกปลอมเพราะมันมีทุกข์ตามมาการที่เราเป็นครูเป็นหมอเป็นตำรวจทหารถ้าเกิดเรา อยู่ในศีลธรรมแล้วก็ทำบุญทําทานตามโอกาสอยู่ในในบทบาทแบบนี้บางทีมันก็มีโอกาสจะเรื่อการทําประโยชน์ให้กับผู้คนได้ได้ได้ได้บันเนิงใช่ก็อันนี้ก็เป็นการทําบุญการทําประโยชน์ให้กับผู้คนไม่ต้องอาจจะไม่ต้องใช้เงินทองก็ได้เช่นให้วิชาความรู้นี่ก็เป็นวิทยาทานเป็นวิทยาทานแล้ก็เป็นการทําบุญแบบเนี่ยการให้ทานแบบก็อย่างเป็นแค่ขั้นระดับเทวดาระดับเทวดา อาแค่นี้ก็พ อ, อพอแล้วเหรอนั่นเองถึงบอกว่ามันบัวมันมีหลายระดับไงบัวระดับบัวระดับกลางงามเขาก็พอแค่นี้แล้วขาได้ทําบุญรักษาศีลกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเป็นมนุษย์ไปเรื่อยเขาก็พอแต่ต่อไปเขาเบื่อเขาก็อาจจะพัฒนาขึ้นไปเองต่อไปอาจจะแก่ลงไปเวลาใกล้จะตายนีย่อาจจะให้ก hey, ลัวเบื่อแล้วกลัวความแก่ความเจ็บความตายตอนนั้นก็จะไปวัดกันแล้วนะ คนแก่มักจะเข้าวัดกันใช่ไหมเดี๋ยวพอคุณกเกษียณแล้วคุณไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็เพื่อนฝูงก็าตายกันไปคนละคนสองคนงานต่างๆเคยไปเที่ยวไหนก็เดี๋ยวนี้ไปก็ไม่สนุกแล้วถูตาก็ไม่ดีไปวัดดีกว่าไปนั่งสมาธิไปถือสิงแปดดีกว่าเดี๋ยวมันก็เลื่อนขึ้นไปเองเพียงแต่ว่ามันจะสายเกินเกินแก้แก้แล้วมันไม่ทันเวลานะั้นาอยากจะให้มัน จบม้วนเดียวจบมันต้องบวชตั้งแต่หนุม่มเลยอตอนนั้นร่างกายมันแข็งแรงมันทําได้มีเวลาเยอะแยะถ้ามาทําตอนที่เกษียณแล้วหกสิบแล้วก็มาทําเรี่ยวแรงมันก็ไม่ค่อยมีภรรยาภ<ะ>รรยายไม่อนุญาต <laughs> ท่านคะการที่ชายกับหญิงจะมาเป็นคู่กันเนี่ยจําเป็นต้องมีสี่งเสมอกันเลยคะ่ะ ไม่หรอกมีมีกามเท่ากันมีความอยากครับ <c oughs> มีความอยากเสพกามเหมือนกันที่อ่านในหนังสือเขาบอกจะต้องมีศีลเสมอแล้วกันไม่จําเป็นหรอกไม่จําเป็นหรอกข้อหมายถึงคนที่เคยรักกันแล้วมาเจอกันใหม่เนี่ยเป็นเป็นคนแบบว่าต้องทําบุญเท่าๆกันมาถ้าเป็นเหมือนลรถยนต์สองคันขับมาเนต้องขับความเร็วเท่ากันมันถึงจะตามกันทันถ้าคันหนึ่งช้ากว่าอีกคันหนึ่งมันก็ตามกันไม่ทัน ถ้าถ้าทำบุญเท่ากันไม่ทำบาปเท่ากันเนี่ยเวก็จังหวะจะมาเกิดเจอกันมันก็จะง่ายมันจะมันจะตายพร้อมกันเกิดพร้อมกันอเงี้ยมันต้องตายพร้อมกันด้วยเกิดพร้อมกันด้วยมันถึงจะมาเจอมันถึงจะมาทันกันไงใช่ไหมถ้าคนคุยเกิดก่อนเขาสิบปีเนี่คุณก็ไม่รอเขาหรอกเจอใครดีใครเจอเจอใครก่อนคุก็ไปเอาเขาก่อนนะใช่ไหม แต่บางคนก็อาจจะมาเจอกันตอนแก่ก็ได้นะเพราะว่าคู่ของตนตายไปหมดแล้วมาจ่าเอกันเจอกันถูกใจกัน หรือว่าจะมีอะไรที่เป็นตัวขับเคลที่ทําให้เราตัดสินใจได้เร็วขึ้นก็ความทุกข์นี่แ ะ, ะการสูญเสียความสุขไปเมื่อไหร่มันก็จะมันก็จะเกิดหยุดหักเคลขึ้นมาเสียคนลักไปเสียสิ่งที่เราลักไปเลือเป็นโรค เ, เลือเป็นโรคภัยไข้เจ็บหมอบอกเป็นมะเร็งนี้รักษาไม่ได้เหลื อ, ออีกหกเดือนนี่ตอนนั้นอาจจะไปบวชไปอยู่วัดหกเดือนอะไรก็มี ยังมีลูกศิษย์หนุงตาคนหนึ่งท่านเขาก็เป็นโรคมะเร็งหมอบอกว่าอยู่ได้หกเดือน <c oughs> เขาก็เลยไปอยู่วัดเลยมันต้องมีจุดหักเหมันต้องมีความทุกเมื่อมันรู้ว่ามันพึ่งสิ่งต่างๆที่เราเคยให้ความสุขกับเราไม่ได้แล้วทีนี้เราก็ต้องไปหาสิ่งที่เราให้ความสุขกับเราได้ก็คือธรรมเนี่ยการปฏิบัติธรรมตอนนี้ก็ซ้อมไว้ก่อนตอนนี้ซ้อมครูทำไก่อนตอนนี้ ก็ยังดีก็เลยว่าไปซื้อที่ไว้ก่อนไปปลูกบ้านไว้ก่อนแต่ยังไม่ไปอยู่พอบ้านเก่าพังก็จะได้ย้ายเข้าไปสู่บ้านใหม่ได้ตอนนี้มันมีความสุขอยู่มันก็ไม่มีไม่มีความอยากจะไปปฏิบัติเพราะปฏิบัติแล้วมันทุกข์เนี่ยพอมันต้องทิ้งความสุขที่เรามีอยู่ไปใช่ไม้มถ้าโยมไม่ได้มานี่ป่านนี้ก็นั่งดูทีวีนั่งหลืมเล่านั่งกินกาแฟนั่งกินขนมอะไรไป อยากจะไปเที่ยวไหนก็ไปได้แต่มาเรามาอยู่วัดนี้มันก็อึดอัด จ, จะทำอะไรก็ไม่ได้ต้องสวดมนต์อย่างเดียวฟังเทศฟังธรรมอย่างเดียวมันก็เลยไม่อยากมากันจุดหักเหกันนีงก็คือถ้าเรานั่งสมาธิแล้วจิตสงบได้อันนั้นมันก็จะหักเหได้ไม่ต้องเจอความทุกข์ก็ได้แต่บางทีก็ต้องเจอความทุกข์ถ้าไม่เจอความสุขก็ต้องเจอความทุกข์ ถ้าจอความสุขจากการนั so ioso, <to> ่งสมาธิไ <hosting> ด <distractions> ้ก็จะเบืกความสุขที่เรามีอยู่เพราะความสุขจากทางสมาธิมันจะดีกว่ามันมันมั่นคงกว่าเหมือนถ้าเราเปลี่ยนบริษัทประกันได้เรารู้ว่าบริษัทนี้มันไม่ค่อยมั่นคงเรามีบริษัทอันนี้รับประกันมั่นคงเราก็เปลี่ยนบริษัทประกันกันแต่ตอนนี้ถ้าเรายังไม่มีบริษัทที่มั่นคงกว่านี้เราก็เอาบริษัทนี้ไปก่อนตอนนี้เรามีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่เราก็มีกับมันไปก่อน แต่สักวันหนึ่งมันจะต้องหมดเนะี่ยมันไม่เป็นอย่างนี้ไปตลอดอนอะมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการเสื่อมไปมันไม่เสื่อมเราก็เสื่อมร่างกายเราก็ต้องแก่เจ็บตายไปเมื่อถึงเวลานั้นมันก็จะต้องอเปลี่ยนที่ละเปลี่ยนเปลี่ยนเป้าหมายของการหาความสุขละหรือถ้าตอนนี้เราไม่ประมาทเรามาฟังเทศฟังธรรมแล้วเราก็ไปหัดนั่งสมาธิ วันไหนมีวันหยุดก็มาลองมาอยู่วัดอยู่ที่สงบมาปฏิบัติวันดีคืนดีถ้าเกิดจิตมันสงบเข้าสักครั้งหนึ่มันก็อาจจะเป็นจุดหักเหได้นี่มันก็มีหลายปัจจัยด้วยกันอย่างพระพุทธเจ้านี่ก็ไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายทั้งที่ตัวเองยังไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายเพียงแต่เห็นก็ เป็นจุดหักเหได้แล้วว่าท่านมีปัญญาท่านคิดว่าต่อไปต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วท่านก็เคยได้พบกับความสงบตอนที่ตอนมตอนที่เป็นเด็กตอนอยู่ตามลำพังจิตเคยสงบก็เลยเห็นว่าความสงบนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีดีกว่าเพราอไม่ต้องอาศัยร่างกายก็เลยตัดสินใจออกบวชได้ดังั้นคนเราต้องมีจุดหักเหมีจุด มีจุดมีเหตุจุดประกายให้ให้มีดวงตาเห็นธรรเห็นแสงสว่างเห็นทางถ้าเราเล่ากับทีบัติือเห็นแสงอยู่ที่บ้านได้ที่ไหนก็ได้เพียงแต่ว่ามันยากง่ายไงรักษาร่างกายนี้รักษาที่บ้านก็ได้รักษาที่โรงพยาบาลก็ได้แะที่ไหนมันดีกว่า่ะ รักษาโรงพยาบาล น, นี่มันเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมหมอพร้อมยาพร้อมเอรักษาที่บ้านมันก็มันไม่พร้อมอ่ะใช่ไหอรักษาสินแปรเราเราซื้อสินแปรคนอื่นเขาไม่ถือด้วยเด็กเขาก็เปิดเพลงฟังก็เปิดทีวีดูเขากินข้าวเย็นดีไม่ดีมาชวนเราด้วยอไม่กินชคนเดียวชวนด้วยอดไปทําไมทรมานไปทําไมออ เดี๋ยวเราก็ทนไม่ไหวเกรงใจเขากิเลสมันมักจะเอามาเกรงใจเขาก็ร <c oughs> <c oughs> e ักษาไปไม่รอดนะแล้วรักษาสิญปัตยอย่างเดียวไม่ไม่มันต้องรักษาด้วยแล้วก็ต้องปฏิบัติด้วย <c oughs> มันมันเป็นของคู่กันรักษาสิญปัเพื่อให้เราได้มีเวลามาปฏิบัติแล้วเรารักษาสิญปัแล้วไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่แล้วก็ยาก กวาวกต่อการรักษาถ้าเรารักษาสิ้นแปแล้วเราปฏิบัติด้วยมันก็พอใจเรามีกิจทำกิจกรรมจากการปฏิบททัติทมเราก็เลยไม่ไม่ต้องมีอะไรมาคอยล่อใจเราให้เราไปเปิดทีวีดูไปเที่ยวไปเล่นอะไรกันแต่ถ้าเรารักษาสิ้นแปแล้วเราอยู่เฉยเฉยไม่นั่งสมาธิเดี๋ยวก็เห็นเขาเปิดทีวีเดี๋ยวก็อดดูตามเขาไม่ได้ แต่ถ้าก็เปิดทีวีดูล้วก็นั่งสมาธิของเราไปก็ไม่เป็นไรเังนั้นผู้ที่ถือศีลแปดผู้ที่มาบวชนี้เขาต้องปฏิบัติ ด, ด้วยมันถึงจะเจริญกนะ้าวหน้าศีลแปดเป็นเหมือนกันเป็นผู้ที่คอยเป็นหลอปอพ่ อ, ป, อป้องกันไม่ให้สิ่งอ่าอื่นมารบกวนใจเพื่อใจจะได้มีเวลาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่แต่ถ้ามีเวลาปฏิบัติแล้วไม่ปฏิบัติมันก็ไม่คืบหน้ามันก็ไม่ก้าวนะ ตอนยิงรักษาศีลแปลนี้ยังไม่ได้เป็นพรมนะจะเป็นพรมได้ต้องจิตสงบเท่านั้นะถ้าเหมือเราไม่ไม่ไม่ถลัดที่จะนั่งสมาธิเราเราเจริญสติด้วยการก็ต้องเจริญสติก่อนเจรสตินะพอมีสติแล้วก็จะนั่งได้ออที่นั่งไม่ได้เพราะไม่มีสติพอนั่งแล้วอึดอัดฟุ้งซ่านแสดงว่ามันไม่มีสติควบคุมความคิดนั้นท่านต้นเราต้องมาควบคุมความคิดก่อนด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธไป เดินทําอะไรอยู่ตลอดเวลาพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วจิตว่างเย็นสบายแล้วทีนี้มันก็อยากจะนั่งเองก็มันนั่งแล้วไม่อึดอัดนั่งแล้วสบายถ้ามีสติแล้วนั่งจะสบายแต่ถ้านั่งแล้วอึดอัดฟุ้งซ่านนี่แสดงว่าไม่มีสติเลยนั่งไปก็ไม่เกิดประโยชน์นั่งไม่ได้ต้องฝึกสติก่อนจเจริญสติก่อนต้องเหมือนบริกรรมพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆอย่าให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆ พอใจไม่คิดแล้วใจจะว่างเยน็นสบายตอนนั้นนี่ยอยากจะนั่งเฉยเฉยล่ะเพราะนั่งมันสบายกว่าเดินตัอเยอะแยะที่มันเดินเพรามันยังเครียดอยู่มันยังปรุงแต่งอยู่มันยังอยากทํานู่นทำนี่อยู่มันอยู่เฉยเฉยไม่ได้แต่พอจิตมันไม่มันไม่อยากทําอะไรแล้วนี่มันก็อยากจะนั่งเองนะแต่ก็ถือเป็นบทที่หนึ่งของการ อฏิบัติใช่ต้องฝึกสติก็อนติจะเจริญจะทํากิจกรรมอะไรรู้สึกตัวก็ือว่าเราเริ่มต้นแล้วใช่ไหมคือให้อยู่กับงานที่เราทําหรืออยู่กับพุทโธอย่าให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้หยุดความคิดแค่เป้าหมายของการเจริญสติก็คือการหยุดความคิดถ้าเราไม่คิดก็แสดงว่าเรามีสติถ้าเราคิดก็แสดงว่าเราเผลอละไม่มีสติมันละเี่เราต้องหยุดความคิดให้ได้ก่อน พอหยุดความคิดได้ใจจะเบาสบายความอยากต่างๆมันจะหายไปแล้วก็จะทาให้อยากจะอยู่เฉยๆก็จะนั่งได้นั่งแล้วสบายกว่าเยอะจะปิดให้ทางบ้านถามบ้างไหมเด้ยังมีใครอยากจะถามากาบศาลาแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรม า, าจะถามเอเเอาเอคถามฝากถามจากที่ศาลานะคะ ถ้าเราไปเจอโยมกําลังใส่บาตรพระตอนเช้าตามถนนเราขับรถผ่านแล้วเรายกมือสาธุเราจะได้บุญด้วยไหมคะบุญนี้ก็ทำเราไม่ได้เราได้เพียงแต่บุญที่เราเกิดจากการสาธุเท่านั้นเองคือ เ, เราเราก็ชื่นชมยินดีได้ความชื่นชมยินดีไปเท่านั้นดีกว่าหมั่นไส้บางคนแท น, นก็ทําบุญแล้วหมั่นไส้ด้วย อ, อิดชาริษยาหรือบางคนไม่ชอบศาสนาเห็นคนทําบุญแล้วกลับไปว่าเขาโง่ งมงายอะไรพวกนี้แทนที่จะได้ความสุขใจกับได้ความไม่สบายใจได้ความลำคาญใจจากการที่ไม่ได้อนุโมทนาเท่านั้นเองการอนุโมทนานี้เพื่อกาจัดความคิดที่ไม่ดีที่เกิดจากการเห็นคนอื่นก็าทำประโยชน์ทำความดีแล้วไปอิจฉาริษยาหรือไปมองว่าเขาโง่สู้เราไม่ได้โกงเราได้เยอะแยะพวกนี้โง่ทาความดีแล้วไม่ได้อะไรอันนี้คือ ปั๊บคือผลที่เราจะได้รับจากการสาธุอนุโมทนาคือจะได้กาจัดความคิดที่ไม่ดีของเราออกไปเวลาที่เราเห็นคนอื่นก็ททำความดีบางทีก็เห็นแล้วก็อิจฉาเขาเราไม่ได้ทำก็เลยอิจฉาเขาก็เลยไปคิดไม่ดีกับเขาเราต้องอนุโมทนาแต่เราไม่ได้ทำบุญเราไม่ได้บุญอย่างที่เขาทำหรอกบุญเขาละอย่างกัน หมดแล้วมัเหนื่อยแล้ววันนี้วันนี้ทางบ้านก็ขอยกุกขอเว้นไว้ก่อนวั น, นนะอย่างเงี้ยวันนี้ก็พูดยาวพูดมากด้วยวันนี้รู้สึกก็ขอให้เอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิณิชพิจนาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอร